อันจึงภูมิใจว่าเป็นคณะที่สูงที่สามารถรักษาสติริขโค อ, อุเบมาการของการทําติยะสังขายนาตั้งแต่ครั้งขโมยขลีบุตรติดสะไว้ดัรักษาเถระวงสายนี้เอาไว้ได้ผู้ง่ายๆว่าถือตนว่าเป็นสายตรงที่สืบมาจากพ ร, ระอรหันตเจ้าผู้มหาวิหารว่าอย่างนั้นนะนี่เป็นการข้อแตกต่างระหว่างที่สูงสองสำนักนี้เป็นนิ ก, กายใหญ่ในเถราวาดในลังกานิ ก, กายเถราวาัดในลังกาแบ่งออกเป็นอนุนิ ก, กายอีก2คือมหาวิหารกับอภัยเครีวิหาร ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สี่วงแล้วต่อมาก็เกิดคณะที่สามขึ้นคือมีสองก็มีสามต้องเรียกว่าคณะเทศวันวิหารอยู่วัดะเคตุทนตั้งเป็นอีกิกายหนึ่งอาเรียกว่าคณะเทตวันวิหารสามคณะเดียกันอาพุทธศาสนาในลังกาตั้งแต่ศตวรรษที่สี่หลังจากพระพุทธองค์ตรสอิพานแล้วก็แบ่งเป็นสี่คณะเอ๊ะขมวดสามคณะหรือสามนิกายใหญ่แล้วก็สามคณะหอสามนิกายใหญ่นี่ก็ยังแจกตู้แจกหลานเป็นอนุสาขาออกไปตามธรรมเนียม ของการแตกแยกนิกายในลังกาอยังไ่ก็ตามในศตรวรรษที่สิบแมทธิวินข้าเจ้ามหานามซึ่งเป็นผู้ปกครองสวีดสิงหผลได้มีการประชุมพระเถระในคณะมหาวิหารปรับปรุงหลักธรรมะในนิกายเป็นการใหญ่ซึ่งในสังขีติยวงศ์เรียกกันว่าการทำสังขายนาแต่ความจริงไม่ใช่สังขารนาหรอกเป็นการประชุมสงฆ์ในคณะมหาวิหารแต่งณวะอัจกรา อัศกถาในบาลีพระไตรปิฎกของเถราวาตนี่ที่เป็นปูราณอัศกถานะมีอยู่สามฉบับด้ยวยกันเรียกกันว่ามหาอัศกถาหนึ่งกุรุนทีอัศกถาหนึ่ปัจจรีอัศกถาหนึ่สามฉบับแก่พระสูพระวินัยพระอภิธรรมเป็นปูรานอัศกถาถือว่าเป็นอัศกถาที่เก่าแก่ที่พระอรหันตเจ้าทํากันไว้แล้วพระมหินนํามาเผยแผ่ในอินเดียมหาอัศกถาเนี่ยพระมหินนาํามันจากอินเดียลงมาเผยแผ่ในลังกา ตัวกรุนทีอัจริกถากาับปัจจริอัจฉริยนั้นถือว่าสารหันในเกาะสิงห์ผลประชุมกันร้อยกรองขึ้นในลังกาขยายความพุทธพจน์ออกไปอัจฉริยะตั้งสามฉบับนี้ผู้คณะมหาวิหารถือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขความลี้ลับในพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีให้พิสดารออกไปแล้วการทําแต่งอัจฉริยยุคใหม่นี้เป็นการลิเริ่มขึ้นโดยท่านคันทรัตนาจารย์มีชื่อของโลกภาษาบาลี ท่านผู้นั้นคือท่านพดันตะพุทธโคษาจาริยะท่านพุทธโูสาจารย์รูปนี้เป็นชาวชมพูทวีตตำบลบ้านเกิดท่านอยู่ในตาบลพุทธคยาในแคว้นทีหานและท่านเป็นวันณะพรามณ์โดยกําเนิดภายหลังเรื่องมใสในพุทธศาสนาก็ออกบวชในกายเถรว่าดท่านปารุบที่จะเขียนอัศกถาคัมภีอภิธรรมแต่เนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือตหรับตําราที่จะอาศัยค้นคว้าในอินเดียไม่เพียงพอ พระอุปชาของท่านจึงแนะนําว่าเวลานี้สําหรักตาราทางภาษาบาลีนั้นมีบริบูรณ์แห่งเดียวคือในสิงห์ผลสวีดเพราะฉะนั้นให้พระพุทธโูษาจารย์เนี่ยปราลบจะแต่งอสกถาพระอภิธรรมจงข้ามสมุทรไปเรียนในลังตาเถอะพระพุทธโูษาจารย์จึงได้ลาอุปชัยยะลงเรือจากเมืองท่าตามัลนิปติอันเป็นเมืองท่าฝั่งตะวันออกของอินเดียมุ่งมาสู่เกาะสิงห์ผลในระหว่างทางนั้นพระเอิมสวนกับเรือของพระเทระอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นพระคันทรจนาจารย์ทางภาษาบาลีเหมือนกันท่านผู้นี้มีชื่อว่าท่านพธธระพุทธตตาจารย์พระพุทพธทัตตาจารย์นี้ได้เขียนคำพีอภิธรรมอวตารเป็นภาษาบาลีแล้วก็เขียนอักถรฐาเป็นภาษาบาลีอีกเล่ม น, นึงขึ้นมาเป็นคนที่มีความรู้ปราบเรื่องมากเป็นชาวอินเดียภาคใต้เดินทางสวนกันไปท่านพธธุทธตาจารย์บอกว่างานของท่านนั้นอ่ะยังไม่เด็ดเป็นที่รับการยกย่องจากคณะสงฆ์ในมหาวิหารในลังกา เพาะฉนั้นท่านก็ฝากความหวังไว้ว่าท่านพุทกคูสาจารย์จะไปทำงานชิ้นนี้ได้เป็นผลสําเร็จและท่าได้พบตำหนักตาราอะไรที่สำคัญแล้วก็กรุณาส่งตัวฉบับไปให้ท่านด้วยท่านจะกลับอินเดียละเรือสําเพาสองลำสวนกันไปต่างคนก็ต่างแยกกันไปท่านพระุทกคูสาก็มาพักอยู่ที่อ่าบริเวณกูดีเรียกว่ามหาคูดีอยู่ในวัดมหาวิหารเวลานั้นเจ้าคณะใหญ่นี้กายมหาวิหารคือท่านสังฆปาละ เป็นตำแหน่งเป็นสมเด็จระสังคราชในหลังตาด้วยท่านก็ต้องการที่จะลองภูมิทพุทธคูสาว่าท่นานพระหนุ่มรูปนี้ชาวอินเดียรูปนี้มีเจตจำนงต้องการจะมาเรียนอัศจรรยและจะมาเขียนอัศจรรยอภิธรรมอยากจะอย่างภูมิที่ว่ามีความรู้ต่อ น, นิกายเทรวาทของแท้แค่ไหนเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นอภิสุนิการอื่นๆเช่นพวกมหายานบ้างหรือเป็นพวกใดพวกหนึ่งอาจจะมาบิดผันความหมายในนิกายเทรวาทออกไปก็ได้ท่านจึงได้เอากระทูพุทธภาสิตบท์หนึง่งมาตั้ง ขึ้นอให้พุทธคุณสาจารย์ขยายความทำพุทธคุณสาจารย์ได้เขียนคําขยายความกระทู้บทนี้เป็นคำทีวิสุทธิมัชฌะกรอันเป็นคำทีที่รือเรื่องรือที่สุดเป็นพระหนึ่งเพชรน้ําหนึ่งในโลกวันในคดีบาลีถ้าผู้ที่จะเป็นนักปราดทางโลกพุทธศาสนาฝ่ายบาลีไม่ผ่านคำภีวิสุทธิมัรฌะกรแล้วท่านผู้นั้นไม่ชื่อเป็นปราดผู้ที่จะเป็นปราดในโลกภาษาบาลีต้องผ่านวิสุทธิมัชฌะกร พระวิสุทธิมัคเนี่ยพุทธโคุสะได้แต่งย่อพระกายปิดกไว้หมดคือว่าแต่งสีละสีนิเทศย่อความในวินัยปิดกแต่งสมาธินิเทศย่อความในสุดตันตปิดกแต่งปัญญานิเทศย่อความในอภิธรรมปิดกเพราะฉะนั้นวิสุทธิมัสแต่สินสมาธิปัญญาก็เท่ากับว่าเป็นพระกายปิดกเป็นคําสรุปความของพระกายปิดกแปดหมื่นสี่ันคำันั่นเองอค่าคัมภีเนี่ยจึงเป็นเพชรน้าหนึ่งซึ่งจะหาเพชรเม็ดอื่นมาเทียมเข้าไม่ได้แล้วในวรรนัดีโรคพุทธศาสนาฝ่ายบาลี จากผลงานของท่านพุะเโคสะชิ้นนี้แหละที่ทําให้คณะสงฆ์ในฝ่ายมหาวิหารมั่นใจว่าท่านผู้นีเ้เตียงปราแตกฐานในปริยะติของในกายเถรวาทีแน่นอนแล้วจึงได้มอบให้ท่านเป็นประธานตรร ม, มาธิการชําระอัจฉริยะยกล้างแปลจากภาษาสิงหผลกลับเป็นภาษามคตการยกล่างอัจฉริยที่ทํากันใหม่นี่ได้ใช่อัจถริยฉบับดั้งเดิมคือมหาอัจฉริยะกุรุนทีอัจฉริยปัจริอัจฉริย ทั้งสามฉบับ พ, พระเทวรานสิงห์ผลเปลเป็นภาษาสิงห์ผลหมดท่านพระเจ้โคสาจารย์ได้กลับเป็นภาษาบาลีหมดแล้วก็ให้ชื่อใหม่ตัดข้อความที่ยื่นเยอะข้อความที่ไม่สาคัญออกเสียเพื่อให้กระทัตรัยได้รูปความสาคัญเอาไว้เช่นอัจฉริยะสีคณิกายก็เรียกว่าสุมังคะะวีราสีนีอัจฉริยมัชฌิมมิกายก็เรียกว่าปะปันจสูทนีเนี่เรียกตั้งชื่อเพราะเาะแล้วก็อัจฉริยสังยุตติกายก็สารัธะอธีปนีอย่างนี้เรียกกันซื่อเรียกกันเพราะเพะ แล้วก็มีอาตระขาพระวินัยท่านก็แต่งสมมันัดปะปาทิกาอาตระขาพาวินัยยปิดกแล้วก็แต่งตังขาวิจระทำนั้นท่านได้แต่งทำทีสังโมหะอิโมทนีแก่วิทันธ์รกอบแล้วก็ได้แต่งปันจพักรณัชอาตระขาหรือนี้อเด็กเอกนามหนึ่งว่าปรมัตถีปนีแก่ปัญจปรกรแล้วก็ได้แต่พพแแ ง, พพแแงอาตระขาทินีแก่ขอ้อความในธรรมสังขณี รวมงานของท่านผู้นี้นั่นแหะท่านไม่ได้คินเองทำเองมีคณะกรร ม, มาการแต่ว่าออกชื่อท่านในฐานะท่านเป็นประธานเอาอชื่อท่านไม่ใช่ว่าทัานเพิจะโครศัพคนเดียจะเขียนงานได้มากมายนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกงานมันใหญ่โตเกินเป็นงานที่หลายๆคนช่วยกันทําแต่ทํากันในคณะมหาวิหารเพราะฉะนั้นในปรณนามากระถาของคำพีประการต่างๆทั้งอัจจริยะที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยในปนามากถาท่านต้องระบุว่าท่านเขียนอัจจริยะนี้ตามวาทะของพระเถระในคณะมหาวิหาร ตามมัติหรือตามคัสนะของพระเถระในคณะมหาวิหารท่านต้องบอกว่าท่านสังกัดในพวกไหนเพื่ที่จะไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดเมว่าท่านเป็นมีกายอภัยคิรีหรือพวกมีกายเฉดตะวนันไม่ใช่ท่านสังกัดในคณะมหาวิหารบอกนี่ให้เขียงคำทีเหล่านี้เรากรองคำทีเหล่านี้าานตามนั้นหลังจากผลงานแต่งอัจฉริยครั้งนี้แหละที่มีกายเทรวัตได้รุ่มรุ่งขึ้นมาและพุทธศาสนาแบบเทรวัตก็ได้มาแท่หลายในสวรรณภูมิด้วย ในสุวรรณภูมินั้นน่ะปรากฏว่าสุวรรณภูมินี้เป็นแหล่งซึ่งได้รับอารียธรรมมรดกของอินเดียไว้อย่างครบถ้วนชาวอินเดียก่อนพุทธกาลได้เล่นรั่วมาค้าขายในแผ่นดินทองแห่งนี้ได้นําเอาสินค้าจากแผ่นดินทองแห่งนี้เช่นอาธิตัวอย่างเช่นว่าเอาทองเอาพวกเครื่องเทศอบเชยกระวานแล้วก็พวกก า, รรานพลูพวกพินเสนแล้วก็รวมทั้งชา้างเป็นสินค้าที่ชาวอินเดียรู้จักดีเด็ มีการทำมาค้าขายกับในในสุนัขภูมิเสมอที่เราลุ้นเช่นนี้นะก็พบปรากฏข้อความในชาดกในชาดกเช่นว่าในมหาชนกชาดกในสุในสุสันทีชาดกในสังขารชาดกในมหาชนกชาดกกวถึงท้ายทัชชนกลาพ่อแม่บิดามารดาลงเรือท้งเมภาจะมาค้าขายในสุนัขภูมิกระทั่งเรือแตกกลางทะเลกระทั่งนางเมฆขลาต้องมาช่วยอุ้มทัชชนกส่งกลับคืนเมือง เนี่ยตองบ่งถึงเมืองสุวรณเมืองสวรรณภูมในสังกปราชาดกล่าวถึงพรมซึ่งเป็นพระภูทิสัตย์จะลงงเรือเดินทางมาทางอินเดียฝั่งตะวันออกเพื่อที่จะมาค้าขายทางทุวรรณภูมิเพราะทราบว่าเมืองสุวรรณภูมนั้นเป็นเมืองที่ร่ำรวยต้องการมาค้าขายแล้วก็มาในระหว่างทางจะมาลงเรือกำลังแบบกล้าเวลาเที่ยงวันพอดีเชียวเห็นพระปเจกับพระเจ้าองค์หนึ่งเดินมาอ่าไม่มีฉลองพระบาทไม่มีร่มถูกแดดแผดเผาอยู่ พระพรามก็มีความร่วมสายได้น้อมร่วมเข้าไปถวายน้อมรองข้าวเข้าไปถวายโดย ด, ยด้วยชาติภูษณผุ น, สนู่นนี่ถวายของนี่แต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพรามก็ไม่ได้รับอันตรายในทถ้มกลางทะเลใดๆทั้งสิน้นอันนี้ปรากฏในข้อความชาดกซึ่งระบุถึงเมืองสุวรรณภูมิแล้วแต่ว่าชาวอินเดียก่อนพุทธกาลน่ะรู้จักสุวรรณภูมิดีแล้วก็บคนละเมืองพื้นเมืองในสุวรรณภูมิเป็นพวกไหนมาก่อนไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนธรรมะคนเขมรทั้งนั้นพวกชาวพื้นเมืองสุวรรณภูมิน่ะเป็นพว ก, นนกเงกางะนะเงา ะ, งะ ถึงเวลานี้ยังหลือผืดพันอยู่แถวปักต้แถวจังหวัดตรังจังหวัดยาลาสงขลาปัตตานีต่อแดงกระสังไซบุรีเกดะในสหรัฐมาเลเซียพวกเนาะพวกนี้เดียยว่าพวกเซมันซาไกพวกเซมันหฮาไกพวกนี้ผมหยิกย่องตปงก้นหอยจมูกจ้อนปากกว้างในตาพองพุงงูตัวเตีย้ยผิวดำเป็นหมึกพวกนี้เป็นพวกชนชาติบั้งโด่งที่สุดในแหลมอินโดจีนคือสุวรรณภูมิ ต่อมาได้มีชนในตระกูลตระกูลมอนเขมรกับตระกูลอะโบมาทิเ บ, าเบตานโบมาอพยพกลัอยู่นานของจีนลงมาจากภาคใต้ประเทศจีนลงมาลงมาอยู่ผู้พวกพวกมนุษย์ในตระกูลทีเบตานโมมาก่อยกมาลงมาตามลํำน้าอจิราวดีลงเปนชนชาติเก่าแก่มาเป็นต้นสกูลของพวกโบยูในประเทศเขมา่าซึ่งเป็นต้นตระกูลของพกเขม่าในปัจจุบันพวกหนึง่งอีกพวกหนึ่งมนุษย์ในตระกูลมอนเขมร ไม่ใช่เขมรอยู่นี่ไม่ใช่มอนอยู่นี่แต่มนุษย์ดั้งเดิมดั้งเดิมมุกมุกสมัยมอนเขมรยังไม่ได้แยกจากกันยังเป็นพุงเผ่าเดียวกันนักปรับทางมนุษย์วิทย า, าเขารียวกว่ามนุษย์ในตระกูลมอนเขมรก็พูดออกมาพวกนี้เป็นต้นสกุลของพวกขาขาปันตาไมแล็มอโดจีนพวกขา ขาระแดขาย่างหงนงขาจะรายขาจะรวยข่าต่างๆอยู่แถวเมืองเซปูนประเทศลาวเอ่อก็มีอยู่ในทางจำปาสักควรในเขตลึกในปา่าป่าดิบในเขตจำปาสักอัตปูพวกนี้ยังมีพวกขาอยู่คือพวกจะรจะรวยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอย่างหงอย่างเหงนง ม, มีถึงปีมีการทําพิธีบ้วนน้าเอายาพิษใส่ไปในน้ำชาวบ้านป่าแถวนั้นในกาจินน้ำรู้ถึงดูดไอ้พวกขามันเบื่อน้าพวกนี้ยังมีความเป็นอยู่อย่างอนาระยะ รวมทั้งมีขาอีกพวกหนึ่งก็ขาทองเหลืองนี่อยู่ในป่าท้องนอกเมืองลวงพระบางต่อแดนมืองน่านแทรกอุสรดิตลงมาทีเดียวพวกขาทองเหลืองนี่ยเมื่อไก่เมืองหงนี้พวกนักสืบค้นหามนุษย์สมัยยุคบุรุษลุดึมบัตได้ลงมาสืบในประเทศไทยแลว้วก็ไปเจอขาทองเหลืองรุ่นสุดท้ายในป่าจังหวัดน่านต่อแดนกับเมืองหลวงพระบางคือป่าเมืองน่านกับป่าหลวงพระบางมติดต่อกันนะ ในแม่น้ําขงกันมาก็ไปต่อกันข้าไม่น้ําขงสั่งก็กระป๋ายข้าวป่าลุงพระบางทีเดียวมึงน้าเนี่ยเป็นป่าสูงแล้วเป็นดงดึกดงปะดงดําดงดึกที่เดียวพวกคาปองเหลืองพวกเนี่ยเป็นพวกที่ว่าอพยกอยู่เหนือยไม่กล้าเจอคนถ้าใบไม้เหลืองก็พิ้งถิ่นเพราะฉะนั้นใครๆก็ถึงเดือพวกนี้ว่าผีตองเหลืองหาตัวไม่พบใบไม้หลงเป็นทิ้งถิ่นแล้วการแลกเปลี่นข้าวของกับคนณป่าเผาอื่นๆแล้วข้าวของที่ก็ต้องการมาวางไว้กลางป่าแล้วก็หลบซ่อนไป แล้วผวู้กินแหลกของป่ากับพวกขาปองหลวงก็เอาของที่ขาปองหลืองต้องการน่ะมาวางไว้หยิบของป่าที่ไอ้ผวกขาเอาวางไว้ให้ไปเสร็จแล้วพอคนผู้ของข้าพวกนี้ไปแล้วขาปองหลวงถึงจะมาหยิบสินค้าพวกนี้ไปยไม่มีใครพบเห็นพวกนี้ไนดะ้อย่างถนัดถนีสักทีเลยคนโบราณจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าผีไม่ใช่คนผีป่าป่าทิ้นนั้นผีปองหลวงความจริงก็คนนั่นแหละแต่เป็นคนยุคอนารยะเป็นคนรุ่นที่สองที่เข้ามาสู่แลมอินโดจีนนะ ขาพวกอื่นยังเจริญกว่าขาพวกนี้ขาพวกนี้แล้วก็ดีกว่าอันระยะมากบางคนยังยังนุ่มผ้ากันเลยเป็นแบบง่ายๆเนี่ยปัจจุบันนี่ที่เจอก็ว่ามีภาพปิดอวัยวะรันิดเดียวเองแต่ก็ยังเดี๋วนี้ก็เจริญขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่ามีการติดต่อกันมากป่าเปิดแถวมึงลาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่เป็นป่าดงดิบอีกแล้วเพราะบอมกันลบกันอยู่เป็นสุดภายในอ่ะงูเงี้ยวสือ้างก็มันจะหาที่นี้ไปที่ไหนล่ะคนส่งคนป่าก็กลายเป็นไม่ไม่ใช่ป่าแล้วอาจารย์นี่เพราะว่าป่าทุกป่าก็มีหน อามนุษย์พวกนี้แหละเป็นมนุษย์พวกที่สองที่เข้ามาในหลมอินโดจีนมนุษย์พวกที่สามที่เข้ามาในแหลมอินโดจีนนั่นคือเป็นพวกมนุษย์เป็นตระกูลของพวกมอนเดี๋ยวนี nee. ้เป็นตระกูลของพวกพม่าเดี๋ยวนี้เป็นตระกูลของพวกขอมโบราณเดียวนี e ้ nee. อพยพเข้ามามาจากทางยุนนานของจีนอีกไหลเข้ามาพวกนี้ได้มาตั้งบางข้กก็เป็นพวกละวะละวาละวะเดียวนี้ก็หาดูยากแล้วมีทางพ้าแดดสุงยางทางพระอีสานก่อน บนเตกับคนไทยเลือดไทยแล้วกลายเป็นไปเถราวาะแล้วเดี๋ยวนี้เหนือหาทํายายากเส้นทนแล้วปุระวะนี่พวกละาวานี่แหะถ้าจะพูดไปแล้วก็เป็นลูกพวกแปกที่พบพุทธศาสนาพระโสนาพระอุตจระที่พระเจ้าเอาโศกส่งมาเนี่ยมาพบพวกละวะนี่เองไม่ได้พบพวกไหนมาพบพวกละวะที่เป็นเจ้าของถิ่นอยู่ในรูปเหมืนนั้นเจ้าพญามาังกรมาพบละวะส่วนในรูปเหมืนนั้นาอจีราบดีในประเทศพม่านั้นได้มาพบพบมอน มอนนี้จินเป็นมนุษย์ชาติเก่าแก่ที่สุดที่นับถือพุทธศาสน า, นาในกาศะรวาตตั้งแต่ข้างพระโสด า, ศ า, าอุตตะมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนี่อันนี้เป็นข้อที่น้าภูมิใจของชนชาติมอนชนชาติมอนตั้งแต่รับนับถือพุทธศาสนานั้นรับโดยตรงจากพระอรหันต์เจ้าสององค์นี้พวกเราว่าสอีกกี่สูญชาติไปแต่มอนยังอยู่ยังไม่สูญชาติยังมีอยู่เวลานี่มอนข้างกล่าวบอกว่าหรือในประเทศพมานะา่านะลาลๆเพียงสามแสนคนถูกพ ม, กม่พมากลืนเป็นพม่าไปแล้ว หรือในเมืองไทยก็อยู่แถวพระประแดงปากลัดนนบุรีพวกนี้ก็กลายเป็นคนไทยไปแล้วในคีปนาสหมอนแล้วโหนี่ความจริงก็มีคนมอนในเมืองไทยก็ตั้งแสนนะถ้าจะว่าไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ลูกหลานมอนกลายเป็นไทยหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะหัมมอนก็เดียว่าสู์ชาติไปแล้วก็ว่าได้แต่ก็ยังข้อดีที่ว่ายังมีพระไตรปิฎกเขียนเป็นอักษรมอมพิมง์ขึ้นในเมืองไทยประหลาดมากในประเทศมอนซึ่งอยู่ในพม่าเองนะ่ยไม่เคยพิมพ์พระไตรปิฎกภาษามอน ต, ต, ตัวบะตัวบาลีที่เขียนอยู่ตัวมอนไม่เคย แต่พระมนในมูลไทยซะอีกกลับมีปัญญาพิมพ์พระต่าิดกขเขียนด้อักษรมอรสําเร็จทําได้สําเร็จคือพระมนแถวปากลัดนนทบุรีพระแดงเนี่ยรวมกันแล้วก็พิมพม์พิมพ์ขึ้นพิมพ์พระต่ปิดกขชุดนี้ขึ้นอันนี้เป็นข้อที่น่าภูมิภาคภูมิใจมากสำหรับผู้ทำบริษัทที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นมอรในประเทศไทยที่ว่ารักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมตัวไว้ได้ พระโศณนาพระอุตตระมาเจอพวกละว่าในรูม่น้ําจ้าคยาเจอพวกมอญในรูม่น้าําอจิเรวดีและท่านก็เผยแผ่นิกาเรเพลว่าให้พุทธศาสนาจีงได้ตั้งหลักปักมั่นในแหลายอินโดจีนคือทวันภูมินี่เป็นศาสนาประจําชาติของชนชาติต่างๆในแหลมอินโดจีนาถามว่าพวกมอญพวกละว่านี่ฝุดฟังภาษภาอินเดียรู้เรื่องหร้อฟังไม่รู้เรื่องหรอกพระโศณนาพระอุตรเมื่อมาเผยแผ่ศาสน า, าพุทธที่นี่นะไม่ได้เผยแผ่ให้กับชาวพื้นเมืองโดยตรง แต่โผล่แผลให้กับชาวอินเดียซึ่งมาตั้งครอบครัวอยู่ในประเทศเหล่านี้ชาวอินเดียซึ่งเป็นพ่อค้าอพยพมาตั้งคําเลหาขึ้นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาในลุ่มแม่น้ำอจิราวดีตอนใต้เป็นผู้ที่รับพุทธศาสนามาจากเมืองแม่และชาวอินเดียที่อยู่ในทาเลเหล่านี้นะ่ะสอนพุทธศาสนาแก่ชาวพื้นเมืองอีกต่อนหนึ่งอย่างนี้เพราะชาวอินเดียที่มาอพยพมาอยู่หากินในทาเลเหล่นานี้น่ะรู้ภาษาพื้นเมืองก็สามารถถ่ายทอดพระบันะให้กับชาวพื้นเมืองได้ ศาสนาพุทธจึงได้ตั้งหลักปักมั่นในดินแดนเหล่านี้แล้วก็มีการอุปสมบทบรรพชากันตั้งต่งตอวาระบัตินั้นคูณจะง่ายว่าพศสามรอกว่าศาสนาพุทธมาตั้งหลักในเมืองไทยกับเมืองพมา่าจำง่ายๆอย่างนี้สามรอกว่าก็มาตั้งหลักแล้วถัดนั้นต่อมาอนาจจักมอนนั้นเดี๋ว่าอนาจจักรสุธรรมวดีไปนานจากเก่าแก่ที่ได้ถือนิกาเรเฉลวัดอย่างมั่นคงเมื่อพระพุทธครูสาจารย์ชาระอาชกถาที่เกาะสิงคโปรแล้ว ตามประวัติกล่าวว่าพระพุทธคุตาจารนั้นไล่ได้ลงเรือมามืงมอนเอาอัตกถาที่ชำละจบหมื่นมาเผยแผ่สั่งสอนกับพิสุมอนในนครสุธ ร, รมวดีนครสุธรรมวดีนี่อยู่ทางภาคใต้ของพม่าเรียกมืองสะเทมหรือมืองสะเทินก็เรียกมุงนี้เวลานี้ก็เป็นมุงปรกคัดทางแล้วไม่มีซากเหนืออยู่แล้วถ้าเป็นมืองเก่าแก่แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการพิสูจน์ว่าอนาจักมอนโบราณในปากน้ําเอราวัณในประเทศพม่า น, นั้น เปนประเทศที่รองรับพุทธศาสนาในกายเทรวาทไว้อย่างมั่นคงตัวในลุ่นเหมือนน้ำเจษยยาเา่าหลังจากโคตรละว่าได้มีอํานาจแล้วก็มีชนชาติใหมออ่อพยพมาแทนที่ชนชาติมา อ, อพยพมาแทนที่คือพวกไหนพวกมอนมอนได้มอนที่จากรมอนจากรคาม่านี่แหละได้มาขยายอิทธิพลในรุ่นเหมือน้ำเจษยยาตั้งอนณาจากรวาราวดีขึ้นอนาจากรวาราวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคใต้ของรุ่นเหมืน้ําจษยยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณลุงนครปับผมนะค ร, นะครชัยศรีาราชบุรีการชนะบุรีอูททองเกา่าลำน้ำจระเข้สามพันในจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณแครบทินนี้เป็นสูงกลางแห่งอารยธรรมที่เราเรียกกันว่าอารยธรรมแห่งทวาราวดีส่วนอิทธิพลเขตอาณาอารยธรรมทวาราวดีนั้นได้แพร่หลายครอบนำลุ่นมนม้ํำจักรพยาทั้งหมดภาคเหนือถึงปากน้ําโขงภาคตะรันออกเฉียงเหนือถึงภาคอีสานถึงนครพนมทั้งหมดเพราะนั้นในภาคอีสานเนี่ยเราขุดพบ โบราณวัตถุสมัยทวาราวดีชิงโตโ ต, ตมากม า, กายไก่กองคุ้งไง่ายๆว่าภาคกลางของเมืองไทยกับภาคอีสานของเมืองไทยเป็นอาณาจักรทวาราวดีโบราณจำง่ายๆอย่างนี้นะครับอาณาจักรทวาราวดีโบราณอาณาจักรทวาราวดีโบราณ น, นี้เป็นอาณาจักรของชนชาติมอญของชนชาติที่พูดภาษามอญภาษาเดียวกับชนชาติมอญในสุธรรมวดีในประเทศธรรมาภะะิธานในสมัยก่อน ตั้งแต่พศหนึ 1, พออ่พันเวลาพศหนึ่พันเนี่ยชนชาติมอนได้ตั้งจกกักรวรรดิอันใหญ่โตไพศาลในแหลมอิโนโดจีนคือตั้งแต่ปากน้ําเอาราวัณในประเทศพมาเลื่ยมาถึงปากอ่าวสยามแล้วล่นขึ้นไปถึงภาคอีสานทั้งภาคเทดนี้อยู่ในอิทธิพลของชนชาติมอนซึ่งถือพุทธศาสนาในกายเรวาอย่างมั่นคงพญานลักษณ์นี้เราก็จะดูได้จากพระสถูปปถมเจดียองค์เก่าพระโฐมเจดี JD, และพวกเครื่องไม้เสมาธรร ม, มาจักรอะไรต่างๆมากมายอันเป็นโบราณวัตถุ มากมายไก่กองที่ขุดพบในบริเวณมูลโบราณในขอบเขตเหล่านี้เป็นเครื่องหมายสําคัญต่อจากอาณาจักรทวาราวดีลงมาพร้อมๆกันนั้นก็มีอาณาจาักรที่ดีกันว่าอาณาจักรฟูนันหรือพนมอาณาจักรฟูนันถือว่าถึงอายุแล้วเก่ากว่าอาณาจาักรทวาราวดีเสด็จซัมคือมีอายุปรากฏตั้งแต่ในศตวรรษที่เกาก่อนหน้าอาณาจาักรทวาราวดีจะเกิดขึ้นประมาณสองร้อยปี อาณาจักรฟูนันเป็นของชนชาติของโบราณพระยุพันธ์จากภาคภาคใต้ของจีนลงมาแผ่อิทธิพลตั้งแต่มงสตรุมเสนทะเลสาพพเขมรแล่นลืมากระทั่งถึงประเทศลาวภาคใต้แล้วก็แผ่อิทธิพลมาถึงภาคกลางของประเทศไทยอาณาจักรฟูนันโบราณเนี่ยนะนับถือพุทธศาสนาทั้งเทรวาตและมหายานพุทศาสน า, าแบบมหายานก็ได้แพร่หลายเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้ปรากฏ ศ, ศิลาจารึกสังสกฤต กล่าวถึงพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้กล่าวถึงพุทธศาสนาเทรวาสนี้หมดมีทั้งพวกปฏิมากรรมแบบมหายานก็มีปรากฏอยู่ในอาณาจักรภูนันต่อมาอาณาจักรภูนันสูญลงไปแล้วอาณาจักรขวาเราดีมีมามีอำนาจแทนที่ขั้นตกลาวศตวรรษที่สิบสามพศสามร้อเศษอาณาจักรขวาราวดีเริ่มต้นจะเสื่อมลงได้เกิดมีอาณาจักรของพวกขอมโบราณเกิดขึ้น คืออาณาจักรเจนละได้ตีประเทศฟูนันแตกแล้วก็อาณาจักรเจนละนี่น้ำถึงศาสนาพราหมณ์ได้ยกาศาสนาพราหมณ์และทิหริหระขึ้นเป็นใหญ่ต่อมากษัตริย์ในพวกเจนละสุ่มต่อมาได้ครอบงาเป็นของโบราณนั่นมีกษัตริย์บางพระองค์ก็เป็นพุทธบางพระองค์ก็เป็นพราหมณ์แต่มีการสร้างประสาทหินประสาทศิลาแรงในบริเวณบ้านเมืองที่เป็นจกักรวรรดิเก่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราเนะ่ะศิลาแรงของขอมเราจะพบ ใต้ถึงหนึ่งเรบุรีเป็นที่สุดุดตะวันออกถึงสิงบุรีสุพันณ์บุรีเป็นที่สุดนะส่วนภาคอีสานนั่นนะ่ะพี่ไมยเขาวิหารเป็นไมหมดธิาดาพวกธิดาแรงต่างๆประสาทหินต่างๆประสาทหินเหล่านี้แล้วแต่กษัตริย์ผู้จะสร้างกษัตริย์องค์ใดเป็นพุทธก็สร้างประสาทหินแบบพุทธประสาทหินแบบพุทธนั่นอนะ่ะชอบสร้างในที่ราบไ ม, ไม่ชอบสร้างบนที่สูงอย่างพวกความ ส่วนพวกพรามนั้นอ่ะชอบสร้างปราสาทหินบนที่สูงเช้นเขาพระวิหารสร้างอุทิศในพระอิศวรไม่ใช่เป็นพุทธสถานแต่เป็นเทวสถานส่วนปราสาทหินที่พีมายเป็นพุทธสถานฝ่ายมห ah ายาณกษัตริย์ขอมถ้าเป็นพุทธก็เป็นพุทธมหายานแล้วก็กษัตริย์ขอมองค์สุดท้ายที่ทรงเจียรติคุณโด่งดังอย่างยิ่งคือพระเจ้าชัยวรมันที่เจกษัตริย์องค์นี้มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่าาาสิเจ็ก่อนหน้าอาณาจักรสุโขทัยจะเกิดขึ้นประมาณร้อยปีพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็เนี่ย พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดองนี้เป็นพุทธมามากะในมัธิมหายาดพระองค์ได้สร้างพระสาทตาพรมประสาทพระขันปราสาทบา์แล้วก็ได้สร้างประสาสระน้าพันสระน้าพันอันเป็นสระอนุดาบไกายแล้วก็ได้สร้างพระพุวิถีเดว่าชยพุท ธ, ธมหานาตจํานวนมากมายส่งไปประดิษฐานต่าง ม, มูลขึ้นพระองค์แล้วก็เป็นผู้ที่บูรณะตกแต่งประสาทหินมีพิมาสร้างอุทิศให้กับพระอภิพุท ธ, ธะ อันเป็นพระพิลปเจ้าองค์หนึ่งในพระที่มหาญาติที่ลายใจเลียกเขาเป็นศาสตราองค์นี้เราพบที่ปราสาทกระขันบายนตาพรมหน้าพนาัน์ได้พัฒนาถึงจิตพิคุณของกษัตริย์ชยวรมันที่เจ็ที่ได้สร้างอารูขยะสาลาจํานวนตั้งร้อยๆ้อหลังคือไปโรงพยาบาล น, นี่แหละสร้างตั้งร้อ้อหลังปัตพนุนขนทางมากมายยุคที่พวกขอมเป็นใหญ่เราเรียกกันว่ายุคยุบุรีทำไมถึงเรียกว่ายุคกับุรีเพราะว่าปุรีนี่เป็นมึงอุปราช ที่ขอมก็ส่งผู้แทนมาปกครองสงเจ้านั้นในราชวงศ์มาปกครองและที่ลพบุรีนี่เราพบศิละปะขอมทั้งพุทธทั้งพราหมณ์เจดีวัดมหาธาตุลพบุรีนี่ก็ขุดพบศิละปะขอมแบบมหายานแล้วก็มีเทวสถานที่ศาลเจ้พ่อพระการที่มีริร้นเยอะๆนี่ก็เป็นเทวสถานของพระนารายณ์เจ้ า, อ า, มมาของพราหมณ์สมัยขอมสิ่งเหล่านี้เป็นสักขีพยานว่าพุทธศาสนาทั้งมหายานทั้งเถราวนาทนั้นได้นับถือรวมๆกันไป ในยุคหอมเป็นใหญ่ที่เรียกกันในประเทศไทยว่ายุคกระปอยหลังจากนั้นไม่นานชนชาติไทยก็มาเป็นใหญ่แทนที่ชนชาติไทยนะ่ะล่มอพยพมาสู่แหลมอินโดจีนข้างไหนชนชาติไทยล่มมาอยู่ในแหลมอินโดจีนรู่งพศแปด้อยจํง่ายง่ายพุทธศตวรรษที่แปดพศแปดร้อยชนชาติไทยล่มหลังไหลอพยพเทครัวลงมาบ่าลงมาสู่สุวรรณภูมิ คนชาติไทยมีประเทศเดั่งดวงตัวอยู่ในภาคใต้ของจีนจีนมาแย่งที่คนไทยอยู่ถ้าขาวของจีนนะมณฑลยุนนานเสฉวนกวางตุ้งกวางสัยกุยจิวกีเกียงพูดง่ายว่าแม่น้ำแย่งที่เกียงภาคใต้ลงมาแล้วเป็นเขตของไทยทั้งนั้นไทยในข้างนั้นนะ่ะเรียกว่าอาณาจักรไอ้ลาวคําว่าลาวนี่ไม่ใช่แปลว่าอะไรคําว่าลาวลาวนั่นแปลว่าใหญ่แปลว่าประเสริฐคําว่าลาวเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องทางฝั่งใต้ ยังใช้ชื่อประเทศลาวนะถูกต้องแล้วเป็นใช้ชื่อเป็นอนุสรแต่อาณาจักรไทยโบราณแนงมื่นยังอยู่บุงจีนจิ่งใช้ชื่อประเทศลาวลาวนี่ไม่ใช่มันจะคําว่าละว่านะคุณเข้าใจผิดนึกว่าลาวคือละว่าละว่าไม่ใช่ลาว์ลาวไม่ใช่ละว่าละว่าเป็นชนชาติไทยแต่ว่าลาวน่ะเป็นชนชาติไทยเป็นเผ่าไทยอาณาจักรไอ้ลาวอาณาจักรไอ้ลาวนี้ปรากฏในจดหมายเหติจีนสดมายพศหกร้อยกีนเรียกเป็นเสียงจีนว่าไอเลี้ยวไอเลียวก็คือก็ไอเลี้ยวเลี้ยวคือลาว อ้ <I S 2> คืออ้คือเราใหญ่ชนชาติที่กระสุดที่ใหญ่โตจีน่ะธรรมดาไม่ชอบยกย่องชนต่างชาติว่าใหญ่โตแต่มาเจอชนชาติไทยเข้าจําใจต้องยกย่องเพราะไทยเราใหญ่โตจริงๆในเมืองจีนข้างนั้นเป็นชนชาติหลายเผา่าหลายเผา่ห า, ผาหลายพวกคือว่าไทยเนี่ยเป็นชื่อรวมนะรวมทุกเผา่าแต่ว่าครับเป็นชาติใหญ่แล้วในชาติใหญ่นี่ก็แบ่งเป็นเผ่าเผา่าผู้ภาษาพิ้นพกันไปแต่ก็บรรลุอันเดียวกันแต่ผู้ภาษาพิ้นพิกันไปเนี่ยมีเป็นเผ่าเล็กเผ่าใหญ่มากมายอยู่ในเมืองจีน รวมกันแล้วเร่ออาณาจักรไอลาวภาษาจีนกันว่า o, ไอ้เหลียวไอเหลียวใจจีนว่าไอเลียวเสียงไทยว่าไ อ, อลาวคือคือเราใหญ่หรือว่าคนะเจอที่ใหญ่โต ว, ว่างั้นแปลงั้นทีนมาเจอไอไอลาวเข้าก็ปวดหัวไม่รู้จะจูงตีไทยเราอย่างไรเพราะไทยเราเนี่มั่นคงมาก่างดงดิ่ในภาคใต้ของจีนเน่ยทหารจรีนตัวรัดยกกองทัพมาตีไทยเพียรทาหารมาตาเป็นแสนแสตาเพราะไข่ปลาไม่ทันยุโกับไทยแล้ว กินกรแพ้ซะ ก, ก่อนแล้วแค่แพ้ไข่ป่าคนไทยเป็นเจ้าของผี่คุ้เคยกับภูมิประเทศชินกับดินฟ้าอากาศไม่เจ็บัวได้ใครง่ายๆ่ยยมั้งคนจีนคนจีนเป็นพวกมาจากเขตหนาวมาเจอคนไทยในเขตป่าดงดิบในยูนนานข้าวกับแพ้ไทยก็เลยยอมปล่อให้ไทยอยู่อย่างรุ่มหหลวมไทยเราก็ตอนนั้นก็มีมความสมัครคีแบ่งเป็นบ้านเล็กบูงน้อยเป็นก๊กกคูก่ง่ายง่ายมีการรวมกำลังกันนะเป็นก๊กๆ๊กไม่ได้ถือเป็นชาติเดียวกันเป็นพวกพวกกไปเลยภาษาพูกเพี้ยนกันหน่อยก็แยกก๊กกันอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็เป็นคนไทยเดีวยวกันนั แต่วภาษาเป็นผู้ผิดเพี้ยนกันตามท้องถิ่นก็เลยเรียกกันในต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลคนไทยล่อนะเยอะแยะไทยดำไทยขาวไทยย้อยไทยคําตี้ไทยผาเกอไทยพุงดำไทยพุงขาวอไทยเขินนี่แม้เยอะแยะไปเลยพวกไทยพวกนี้ทไทยทั้งนั้นแหละแต่ภาษาผุดมาผิดเพี้ยนก็เลยดูพระมงกุฎว่าคนละชาติความจริงก็ชาติเดียวกันนั่นแหละนี่ อาเวลานี้ชนชาติไทยยังตกข้างในเมืองจีนะ่ะตั้งสองล้านนะท่านนะตั้งสองล้านชท่นะยังตกข้างหมู่ที่ใั้ภาษาไทยพูดกันเนี่ยแล้วภาษาไทยที่จะพูดกับคนไทยในเมืองจีนน่ะเ ห, อหรอไทยภาษาไทยไทยยัดไปพูดกันรู้เรื่องมากกว่าภาษาไทยทุกภาพภาษาไทยยัดนี่แหละภาษาในท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเอาไปสอนภาษาพูดไทยในยุนนานดูฟังรู้เรื่องกันสบายเลย เ, ลยเนี่ยฟังรู้เรื่องกันสบายเล ย, เลยทีเดียว นี่พี่รู้อย่างนี้น่ก็เพราะว่ามีฝรั่งอเมริกันคนหนึ่งเป็นหมอชื่อหมอ ด, อด็อกหมอ ด, อด็อกหมอด็อกนี่คุณนชิชนาทีแผ่ศาสนาขเปนอยู่เชียงใหม่หมอด็อกนี่ไม่ใช่ด็อกนะไม่ใช่แปลว่าหมอหมาไม่ใช่ฮะอันนั้นด็อกดีโอจีด็อนี่ด็อกด็อไม่ใช่ล็อนะฮะนี่ไม่ใช่หมาไม่ใชว่าหมาหมอด็อเนี่จะเดินทางจะไปแผ่ศาสนาขึ้นสเปนให้กับคนไทยเผ่าต่างๆในยุนาน แกก็เดินทางตั้งต้นจากจััดเชียงใหม่ผ่านเชียงรายออกจากเชียงรายเข้าไปในเชียงตุงออกจากเชียงตุงก็ไปสิบสองพันนาเข้าไปในเชียงรุ้งออกจากเชียงรุ้งเข้าไปในยูนนานออกจากยูนนานเข้าอไปในเสียชวนเลยเข้าไปถึงเมืองเซ็งโซเดยจุงกินของจีนเลยเข้าไปในลึกเข้าในประเทศจีนแต่เล่าบอกว่าทั้งๆงที่กันลึกว่าแต่เดินทางลึกเข้ามาในเมืองจีนตั้งเป็นระยะทางตั้งหลายร้อยไมล์แล้วนึกว่าจะหมดเขตคนไทยสัทีละ พอเท่าทีระยะทางที่เคผ่านมาเจอแต่ไทยทั้งนั้นไทยเผ่าต่างๆทั้งนั้นภาษาพูดผิดเพี้ยนกันเล็กๆน้อยๆอยแต่การส่งภาษาภาษาภาษาพายังผิดเกิดเป็นอยู่นะ่ะส่งภาษากันรู้เรือ่องหดวันหนึ่งไปบอกไปด้านกาแฟแห่งหนึ่งร้านกาแฟมองดูคนห น, นึ่งนังนั่งในร้านกาแฟเนะี่ยเป็นจีนทั้งนั้นแต่งตัเป็นจีนพูดเป็ภาษาจีนแต่ก็ขยับภาษาไทยกับคนแก่คนหนึ่งบอกว่าพ่อเข่าเรียกพ่อเข่าแต่แกคนนั้นที่แต่งตัวเป็นจีนนะประหลุนเลยบอกก็ บอกว่าสู้เป็นไตเขาก็เป็นไตว่างั้นตกเตยกว่าเขาเป็นไตแล้วก็เลยบอกพวกลูกบาทบอกว่านี่ฝรั่งคนนี้พู้ไทยได้เราเป็นลูกไทยหลานไทยทั้งนั้นที่เนี่ยหมอได้จะถึบอกว่าอ๋อถึงจะรู้ว่าคนจีนที่หน้าตาเป็นจีนยุนนาน่ะแท้จินเป็นคนไทยทั้งนั้นแต่ถูกทางการบ้านมุงจีนบังคับให้แต่งตัวเป็นจีนพูดภาษาจีนยังหนังสือจีนแท้จริง้วพวกนี้คือคนไทยยังพูดภาษาไทยอยู่ตามบ้านตามเมืองเขาไอ้เล็ก แปลว่าชนชาติไทยเป็นหนังสือเลมหนึ่งที่มีชื่อเสียงเล่าถึงชนชาติไทยที่เคยพบในยุนนานกับในเสฉินในกวางตุ้งกวางไสว่าเหลือเยอะแยะวละพวกเรานี่ดีใจที่เจอคนที่พูณภาษาลืมเลื่อนกันหแล้วพวกเรานี้ไม่รู้ว่ามีประเทศไทยอยู่ประเทศนั้ไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้พี่น้องของตูวในะแยกมาสร้างประเทศเอกลาศใหญ่โตในไลน์อินโดจีนไม่รู้อะแยกกันมาทำคอนทรี่ลมกันแล้วไม่รู้แล้วหมอดอ๊อดเอาชี้ใจแบบนี้มีคนไทยอีกตั้งหลายสิบล้านคน หมอดอดต่ชี้ใจบอกนี่มีคนไทยอีกสั่งหลายสิบล้านคนที่มีพระจ้าแันดินเป็นตัวมุกมีประเทศใหญโต อ, อยู่ทาง้าคใต้แห่งนี้พวกเหานั้นถึงจะลองอ๋อเพอื่อนอรู้ว่ามีไม่งั้นไม่รู้หรอกนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนอกจากคนไทยจะอยู่ในยุนนานมุ่งกีนตั้งสองล้านที่หมอดอดกว่าแล้วนะคนไทยยังามีสาวไปอยู่ในอินเดียตั้งล้านล้านนี่ว่าไทยอาหงพวกไทยอาหงไม่ใช่ไมที่มีบัญดาเข้าไปในอินเดียเข้ามาตั้งแต่ไห ล, ล่ะเข้าไปนมื่ในสมัยพระเจ้าสืว่าหัฟ้ากษัตริย์ไทย ร พ, รพระเจ้าสุาราสวรรณฟาพระเจ้าสุวรรณ้าศตวรรษที่สิบเกพระเจ้าสุวรรณฟากษัตริย์ไทยที่อพยพจากดุนนานลงมาในรูปเหมือนน้ำคมเหมืนม้ํนาวรวียมืนม้นําคมในภาคเหนือเขอ้ามาพระเจ้าสุวรรณ้าได้แบ่งคนไทยกลุ่มหนึ่งเดินตัดเดินบุกไปทางตะวันตกยังไม่ย่อท้อต่อไปภาคหน้าเพราะคนไทยในครัง้งโบราณเป็นนักเดินป่ามีชื่อแวกป่าบุกป่าปาน้ำสร้างบ้านแปลงมือให้ยูกให้หลานแยกย้ายกันไป ไทยเผ่านี้เดินทางไปถึงคือภูเขาใหญ่ขั่นเทนแดนอินเดียกับพมา่าเพื่อภูเขานี้เรียกกันปามภาษาฝรั่งว่าภูเขาปัตตะกอยแต่ท่านรู้ไหมว่าคำํำมาปัตตะกอยนี้มาเป็นคําอะไรเป็นคําไทยแปลว่าภูเขาปา่าไกฝรั่งเรียกไม่ใช่โดยปัตตะกอยเขาเรีวยว่าป่าไกคนไทยเผ่านี้มาถึงคือภูเขาลูกนี้แล้วภูเขาลูกนี้มีภูเขาเตียๆนะสูงํามึนเทียนเมฆยอดเขามองไปเห็น ล, ล้อมรอบภูเขาเป็นโดงโดงด่ดซึ่งจะไม่ได้ไข่ปายัง น่ากลัวที่สุดไม่น้ำซ้ำยังมันกินคนอยู่เผ่าหนึ่ในป่านี้เตรียมไปเล่นงานคนไทยมพราะว่าเผ่านี้คือพวกนาคาพวกนาคาคือพวกนั้นชอบล่าหัวคนไปเส้นบูชาเป็นเครื่องว่าเล่นทีเรียวพวกนี้ดูร้ายมากกินเนื้อดิบๆด้วยกินเนื้อคนดิบๆเนี่ยคนไทยที่จะไปข่าพกเขาตรงนี้จต้องทําพิธีเส้นผีตามธรรมเนียมโดยเชือดคอไก่เพื่อจะขอรางช้งหอนว่อะจะไปดีหรือไปไม่ดีเอาวิธีหรุดเสียงผีโดยการเชือดปากคอไก่นี่่ะเสียงเอากระดูกไก่มาเสียง ยังเป็พิธีที่ชาวพื้นเมืองบางพวกในภาคอีสานยังทำกันนะในประเทศลาวก็มีทํานี้มันนี่อัคคูไกเนี่ยมาเสียงทายดูว่าผี ช, ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเราคนทายพวกนี้แหละเลยทำพิธีเชืิดคอไก่โดยตั้งภูเขาลูกนี้ว่าปาดไก่ปาดไก่พอในล้างนี่มิตมากว่าข้ามไปได้ปลอดภัยคนทายพานี้ก็ข้ามขีภูเขาปัดปาดไก่นี้เข้าไปในประเทศอินเดียเข้าไปในลูกม่น้าธรรมบุลในในมในมูล น, น, นิธิมูลนิธอัดสัมควันเบ่งตอนอยู่นี้ ไบซื้อไปเจอพวกนาคาลุกกันคนไทยก็คนทยยายาว่าไอ้พวกนาคามันกินคนเลยต้องของขวัญมันให้มันกลัวเราคนไทยจับฆ่าศึกนาคาได้จับมัดกระเสาแล้วแล่เนื้อกินให้เห็นทั้งเป็นตั้งแต่นั้นมาพวกนาคาตัวขี้ขี้ข้นสมองเลยบอกว่าเราลนะกินคนดุนะักขายขตัวมาเจอคนไทยที่ดุยิ่งกว่าเราจับพวกเราไปกึงก่งกับไม้แล้วกว็เฉือนเนื้อกินต่อหน้ า, มาแม่แล้วยายแล้วแพ้คนไทยแล้ะโบกหนีขึ้นเขาสูงไทยเลยเป็นเจ้าของยึดครองแผ่นดิน ในบริเวณป่าดิกทั้งหมดตั้งอาณาจักรไทยอาโหมขึ้นนี่ไทยอาโหมนี่สมัยพอศอ1900น่าเหตุการณ์ครั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้ลูกไทยหลานไทยยังหลュเยอยู่ในประเทศอินเดียในแค้น อ, อัสอักเนี่ยจานวนล้านๆแต่ที่คูู้ภาษาไทยได้นะ่ะมีจำนวนพันแสนแส น, นอกนั้นมีภาษาไทยแล้วแต่ครูเป็นฮินดูผู้ศึกษาฮินดูลูมภาษาฮินดูแต่ยังภาคภูมิใจว่าครูเป็นไทยฉันพ่อแม่เป็นไทยปู่ย่าตายายเป็นไทยยังภาคภูมิใจอย่างนี้ แล้วเวลาใครไปเยี่ยมเยือนในบ้านดูนนะพวกนี้ยังมีพิธีสู่ขวัญเอาสายสินมาผูกดูทำพิธีรับรับขวัญทำเนียมนี้เป็นทำเนียมเก่าแก่ของไทยมีทำพิธีเรียกขวัญมีตั้งบายสีเลือยขวัญด้วยภายในไอเดียเดียวนี้แหละในป่าด้วยว่าไทยในบริเวณลูกมีน้ำด้วยว่าลูกมีน้ำผุดลูกมน้ําผุกอันเป็นแควแห่งเขาเนน้ำธรรมบุตรและก็บริเวณจังหวัดที่จังหวัดดิ้างานีซึ่งเป็นภูมแดนทั้งหมูอติดภูเขาหิมาลัยคนไทยเผ่านี้ยังทําพิธี ใบสีรับขวัญคนยังมีสายสินผูกข้อมือให้พู้เฒ่าแก่มาผูกให้สินให้พรกันแล้วก็ยังมีชื่อว่าผู้หญิงมือผู้น้อยจะหยิบของให้ผู้ใหญ่ยังเอามือซ้ายแตะมือขวาหยิบของทํานี่มันนี่แค่คนไทยเราในกรุงเทพเนี่ยไปเห็นเข่าวนี้แม้ประทับใจเหลือเกินคือเขายังรักษาไว้ได้แม่จักรกกับพวกเราตั้งตั้ ง, ง, งหลายร้อยปีแล้วเขายังารักษาไว้ได้ตั้งเกือพันปีเนะี่ยจากรกับพวกเรามาเนี่ยเขายังจารักษาสกุลตัวนี้ไว้ได้เลย ประเภทนี้คุณน้อยหยิบของให้ผู้ใหญ่เนี่ยต้องเอามือแตะมือขวาหยิบใหอย่างนี้หยิบให้เนี่ยประเภทนี้แบบนี้ในกรุงเทพเราจะหาดูไม่ได้แล้วหาดูยากเป็นทีแรกประเภประเภทนี้แบบนี้แสดงความเขารู้คน้อยเขารูผู้ใหญ่ต้องต้องทําอย่างนี้เขายังทํากันผู้ชายอัวผมแล้วพวกนี้ยังนับถือพุทธศาสนาอยู่พวกนี้ยังนับถือพุทธศาสนาแล้วก็เมื่อความเจริญของโลกติดต่อถึงกันได้แล้วนะเขารู้แล้วรู้ว่ายังมีประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศที่บรรพบุรุษเพงเข้าพวกหนึ่งมาตั้งขึ้นเขาลูก เขาเลทอยนับถือเขารกาูกเขากับมุ่ของเราด้วยลูกในหลวงลูกพระราชินีแขวนไว้ตามบ้านเลือนแขวนไว้ตามบ้านเลือนเขาแล้วเมื่อเวลามีคนไทยไปเยี่ยมเขาชีนี่ถามว่าฟ้ายังบอกฝ้ายังบอกถามว่าเจอฟ้าจักรินเนยังอยู่หรือเปล่าฟ้ายยังบอกถ้าเราตอบไปว่าฟ้ายยังยกมือสาทุ่วงผัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดูแล้วน้ําตาขึ้นจะไหลต้องร้องไห้ร้องไห้ด้วยความปิติเห็นว่าโอนี่คนไทยนี่ยังไม่ยังไม่ลืมกันจากกันมาตั้งแต่พันปียังไม่ลืมกันดูเิ รูว่ามีพี่น้องอีกคู่ลนึงไปตั้งเนชาติเอกอัราชใหญ่โตขึ้นแล้วเขายังไม่ลืมยังอุตส่าห์เอาลูกพระเจ้าแผ่ดินขเราไปเคารพยังอุตส่าห์มีกระจายถามมาฟ้าอย่างบอกยังเคารพมืออย่างนี้นี่ตุวนอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับอธิป ก, ลกลีบว่าคนไทยน่ะ อ, อพยพจากเมืองจีนเมื่อพศ800มุนเฮี้ยี่อพยพลงมา่ะเพราะใครทําให้คนไทย อ, อพยพล่ะก็จีนสิเที่ยวเป็นจกักรวรรดินิยมเที่ยวแย่งบ้านแย่งเมืองคนไทยเราอยู่จะไล่คนไทยออกไปเส้เรื่อย เดี๋ยวนี้เราอยู่ในเมืองไทยอ่ะคื้นขึ้นไปไล่ทีนึงก็ลงทะเลไปเลยนะเนี่ยเที่ยวไล่เขาออกนี่แหละจีนพวกนี้อ่ะคนไล่น่ ะ, ค, นนะคือใครล่ะขงเม่งขงเบ่งเป็นสามตมัวน่แหละท่านอ่านคงเบ่งเไวเ้เถอะคงเม่งนี่แหละเป็นคนไล่ตีอาณาจักรไอ้ลาวแตก เ, เ บ, บ่งเฮกพรจักรพรรดไทยเนี่ยอาณาจักรไอ้ลาวว่าจะรถขับเขี้ยวกับขงเบ่งเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะตั้งหลายครั้งนะคงเบ่งบอกว่าจะตีคนไทยน่ะตีโดยกาลังไม่ได้ บอกเอชนะโดยน้ําใจพ่อท่าขึ้นปีเนี่กําลังแล้วคนไทยก็กําเริบอีกไปรบกวนชาวจีนอีกคงเบ่งจิงพยายามจับเบ่งเฮกได้กัปล่อยจับเบ่งเฮกได้ก็ปล่อยปล่อยเป็นหลายครั้งครั้งสุดท้ายเบ่งเฮกยอมจํานนบอกว่าแท้ชนะโดยกําลังไม่ว่าแต่ชนะจะเอาชนะน้ําใจคงเบ่งชนะไม่ไหวแล้วเห็น้วยคุงเบ่งงเบ่เนี่ยใจใจสปอร์ตนะตั้งแต่นั้นมาไทยเราก็ตื่นมึงขึ้นของจีนไอเราแตกแล้วนี่คงเบ่งปีแตกแล้วคนไทยที่รักอิสระไม่ชอบ จะอยู่เมืองจีนต่อไปเห็นว่าคื้นอยู่เมืองจีนก็เปขี้ข า, าเจ็กไม่เแล้วเว้ยเราอ ย, ยากไล่หาที่ทําเลหากินใหม่ดีกว่าแผ่นดินไม่ชมบูทวีตนะว่างตั้ง8ปดหมื่นันโยนในแดนไกลทำไมจะหาที่บะสร้างประเทศสร้างเมืองใหม่ไม่ได้คนไทยพวกนี้จึงได้อุ้มลูกจุงหลานขึ้นเกียนกันขึ้นมาโคต่างาามาต่างบุกป่าปลาโดนลมมาภากทางใต้แบ่งไปสองสายใหญ่สายหนึ่งไปตามลนาน้ําเอราวัณีกับแมาน้ำสารวินอีกสายหนึ่งล่องมาตามลําแม่น้ำโขง ทำไมทุกดาวไม่น้ำเป็นถึงขันเพราะการเดินทางต้องอาศัยน้ำกินเลยคนเดินทางไม่มีน้าก็ตายสิเพราะฉะนั้นอพยพเนี่ยก้องพยายามเดินใกล้เลียกตามลำน้ำเสมอเพราะนั้นคนไทยสองพลดเนี่ยแบ่งแบ่งเป็นสองสายสายที่ไปตามลำแม่น้ํเอราวดีกับแม่น้าตระวิ น, น่ะก็กลาไปตั้งไปอาณาจักรไทยใหญ่คือพวกเนี้ยด้วยวาอาณาจักรสเกเจ้าฟ้าอาณาจักรไทยใหญ่นะอ่าอยู่ทางภาคเหนือของพมา่าพวกที่เดินตามแม่น้าแม่น้ำโค้งลงมามาถึงบริเวณ1 2บสอพันนาสิบสองปู่ไทหา ตอนประเทศลาวเดี๋ยวนี้ก็มาตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นที่เมืองแข็งเมืองแข็งเมืองแข็งเวลานี้นี่กันว่าเดียนเดียนฟู่เป็นเมื อ, ง, องในเวยเวียดนามเหนือก็อนความจริงก่อนนี่ก็เป็นของประเทศลาวนั่นแหละภายหลังอีกฝรั่งเศสมายึดครองแล้วฝรั่งเศสมันก็ตีสู้ว่าแผนที่ลงไปเรียนเมืองแข็งอินเเขตยวนมันชชิพเลยเมืองแข็งนี่แหละเป็นอาณาจักรอาณาจักรแข็งเป็นอาณาจักรยุคแกที่ไทยที่อูแล้วก็ปู่เจ้าที่เมืองแข็งนี่ยพยาลมาจักราช เป็นผสมวมลของไทยทั้งฝว ง, งทั้งลาวทั้งไทยด้วยมีลูกหลายคนนะมีลูกหลายกนยี่ผ้าลานไถจูงสงใสถงห่วอินนะี่ชื่ออลูก็โอรสหลายองค์นี่โอรสหลายองค์จะมาครองอาณาจากักรแข็งอาณาจากักรมือไม่ได้เป็นนโยบายของบรรพบุรุษไทยที่ต้องการให้ลูกไทยล้านไทยมีอาณาจักรเยอะๆมีบ้านมือกว้าง ต้างสั่งให้หลูกบอกห้หลูกอ เ, เอ้ยเองกะตูแล้วอย่าอยู่แยกงกันครองมึงเมือ ง, งแขงเลยพ่อจะแบ่งฝันปันส่วนยกูกคนในส่วนนึงนะกระช่างมาขู่ขวัวควายเอาไปเถอะป่ า, าดในบริเวณนี้ยังกว้างขวางนให้ไปสร้างบ้านแข่งมงเอาเองเถอะตั้งเป็นประเทศเอกลณแต่ละสูนแตะละนกัเถอะหให้หลูกคนสุดท้ายน่ะเป็นสันติมี ม, มึงเป็นกระสับในมองแขงต่อไปก็แล้วกันพี่ชายของลูกเจ้าอ่หยีผาลามสาจูสายจูสงสายงหัวอินอ่าพวกเนี้ยพ่อคุณเหล่านี้คุณเหล่านี้ ขุณเหล่านี ання, ้ก็รับคําสั่งพระบิดาพาบริวารกลุ่มหนึ่งเดินทางมาตั้งองค์หนึ Further ่งก็มาตั้งอาณาจักรอุษาบางลานช้างองค์หนึ่งก็มาตั้งอาณาจักรศิลปัปนาคณะหุบเวียงกันองค์หนึ่งก็มาตั้งอาณาจักรชายปลาการในภาคเหนือของของเมืองไทยเดี๋ยวนี้อีกองค์หนึ่งก็มามาที่เมียงศรีทวนมาตั้งอาณาจักรชายนารายอาณาจักรชายนารายอาณาจักรชายปลาการอาณาจักรดอนกนักนครเชียงเชียงแสนนี่ อยในประเทศลานานะจึงเป็นประสมผสานของชนชาติไทยในประเทศไทยส่วนพระโอรสอีกส อ, ององค์ที่ไปตั้งประเทศลาวนะอีกสององค์อีกสอง อ, องค์ไม่ตั้งทังขครใหญ่แยกย้ายกันไปจึงได้มีกำเนิดประเทศลาวขึ้นกับประเทศไทยขึ้นแต่ตอนนั้นประทไทยยังไม่เกิดเรียกกันในชื่ออนาจากักรอนาจักรยู่นกมักมังกรอนาจักรลุงพระบางล่งขาวอนาจักรศรีสะศนาคณะหูเวียงจันเรียกอย่างนั้นเองแยกย้ายจะไปตั้งเมืองต่างๆเวลานั้นน่ะก็ราวปศหนึ่พันถึงหนึ่งพันสองร แต่ว่าคนไทยที่ยังตกข้างในมึงจีนยังเยอะนี่มันจะอพยพมาหมดนี่นะพวกตกข้างอยู่ยังมีมีเยอะก็ด้วยพวกที่ตกข้างอยู่เนี่ยก็ดูทีถ่าเมื่อไรเจ๊กอ่อนแอลงไทยพวกนี้ก็ตั้งประเทศขึ้นใหม่เดียบตั้งว่าอาณาจาักรน่านเจ้าอาณาจักรน่านเจ้าเมีอายุยืนห้าร้อยปีเต็มๆนะอาณาจาักรน่านเจ้าที่ไทยตั้างขึ้นใหม่เนี่ยไทยนอาณาจะกรไอ้ลาวเนี่ยมีห้าร้อยปีเต็มๆเพิ่งจะมาเสียทีแตกเมื่อพศหนึ่งันแปดรอนี่เองเราเราจะหมัยส่งสุโขทัยนี่เองแหละอาณาจักรน่านเจ้าถึงแตกแต่เพราะอะไร ทุบไล่คานกษัตริย์มงกุลที่มาตีมึงจีนเนี่ยจีนต้องทหารมน้ามงกุลมาตีอาณาจักรน่านเจ้าแแล้วสั่งแต่นั้นมาไทยก็สิ้นชื่อในมืองจีนเลยแต่ว่าดวงอาทิตย์น่าจะดับที่โน่นแต่ก็มาขึ้นที่นี่นะขึ้นในมึงไทยที่นี่แหละมาขึ้นผู้ทองฟ้าคืออาณาจักรสุโขไทัยขึ้นมาทีเดียวอาการที่จะพูดถึงอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงว่าเมื่อคนไทยมาอยู่ในมึงไทยนั่นน่ะเราได้เปรียบ ไดเปลี่ยนก็คนไทยทงังฝั่งใต้ที่เป็นประเทศเป็นพี่น้องชาวลาวเดี๋ยวนี้ได้เปลียนคืออะไรพวกไทยที่มามาสาที่มาอยู่ทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยได้เปรียนในแง่ที่ว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพญากับลุ่มแม่น้ํำปิงบังยุ่มนาในลานาน่ะเป็นประเทศปติอุประเทศเพราะว่าบ้านเมืองของชนชาติของโบราณเอ่ยมอนโบราณเอ่ยเขามาตั้งบ้านตั้งเมืองเอาไว้นะ่ะเจริญลู่เรีย ง, งไว้หมดแล้วศิลปะวิทยาการต่างๆการก่อสร้างต่าง ๆ, าง ๆ, างๆจเจริญมาก ไทยเรามาถึงสบายเข้าเจริญมากแล้วเราก็มารับเอาสิ่งที่เจริญเหล่านั้นมาไว้เป็นมรดกของเรารวมทั้งพระพุศาสนาถามว่าไทยรับถือพระพุศาสนาตั้งแต่พศอะไรพอศ6อยเสร็จกษระสับไทยองค์แรกที่เป็นพุทธชื่อขุนหลวงเมาคุณหลวงมาเป็นกระสับไอ้ลาวไทยรับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยยุคไอ้ราวนะมันจะพูดว่ารถือตอนอยู่ในไหนมีโดยจีนรับถือตั้งแต่อยู่ในมือจีนแล้วพระเจ้า คุณมมหลวงานี่แหละเป็นประทุนทธศาสนาไทยไอ้ลาวองค์แรกที่นับถืพุทธศาสนาพอท้อหกร้อยเศษนี่แต่ว่าพุทธศาสนาในยุคนั้นน่ะยังไม่ใช่เป็นเทววัตอย่างเรานับถืออยู่นี่หรอกเป็นพุทธศาสนาแบบมหายานกูน น, นับถือผีนับถือสารกูนกันไปนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่ในป่าในดงก็ยังนับถือผีมากกว่านับถือพระเชี่ยวผีผีสังสามากบูชาวิญญาณมากความเจาา ร, ริญในแง่การศึกษาพระไตรปิฎกปริญญาญังไม่ยังไม่เกิดเป็นรูปเป็นห่างมั่นคง แต่ก็เริ่มรับาศาสนาพุทธมาเป็นาศาสนาประจําใจแล้วตั้งแต่พศ60เพราะฉะนั้นาศาสนาพุทธจิงเป็นาศาสนาเก่าแก่ที่สุดของคนไทยเป็นาศาสนาและที่คนไทยรู้จักพูดง่ายๆพรรู้จักตั้งแอยู่เมืองจีนแล้วคราวนี้เมื่อมาอยู่ในไร่เมลโนจีนมาถึงเจอแต่บ้านพุทธเมืองพุททั้งนั้นขอมข้นหังสือพุทธมอนก็พุทธไทยเราก็สบายรับเอาความเจริญเหล่านี้ในปฏิรูประเทศเหล่านี้มาเป็นของตัวรวมทั้งนิกายเถรวาดนิกายเถรวาดแบบลังกาเนี่รับมาจากพมร แบบมหายานนี่รับมาจากพวกขอมไายรับมาก่อนหน้าสมัยสุขโขทยัยไ า, ายในรูปเป็นน้านําจ้าพญากับภายในรูปเป็นน้ำปิ่นวางยุงน้ำในรูปเป็นน้ำปิ่นจึงนับถือทั้งเทรวาสกับมหายา น, น, น, นปนป น, นกันไปนะับถือกันปกันไปนะที่ว่าโชคดีกระทางที่น้องราวทางฝั่งใต้นี่ก็เพราะว่าทางฝั่งทางโน้นน่ะไม่มีไม่เข็ดปิรูประเทศไม่มีพวกของโบราณไปสร้างวัฒนธรรมไว้ไม่มีพวกมอนโบราณไปสร้างวัฒนธรรมไว้มีแต่ปลาดุดป่าสูงเพราะฉะนั้น ่ความล่าหลังก็มีไม่เจเริญอย่างพวกที่มาอยู่ในลุปมนน้ำเจ้าพยาพวกที่มาอยู่ในรุปมืนน้ำเจ้าพยาโจด บ, บ้านเมืองเขาจเจริญแล้วทางนั้นนี่มาถึงไม่ช่เมืงป่าไปสมดุลแมา่มีบ้านใหญ่เมืองโตทวาราวดีเอวยุบบุรีเอยมากมายไถ่กองเขาจเจริญมาแล้วทางนั้นจเจริญมาก่อนแล้วทางนั้นแต่ทางฝั่งโน้นเป็นป่าเสียทั้งนั้นไม่มีบ้านมีเมืองกว่าจะไปกวาดป่ป า, ป า, างงถั้งโพงก็แม้เสียกําลังแรงมากกว่าจะตั้งไปอาณาจักรขึ้นก็นนเพลิงแรงงานปูนสมองมากเพราะฉะนั้นจึงด้อยกว่าทางพ ทางนี้ก็ได้ดเปรียบกว่าพราะมาบ้านเมืองเขาเจริญอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรไปสร้างมากมายอะไรไก่กองนะมีบ้านเมืองเขาสร้างไว้เตรียมพร้อมแล้วเราก็มาอยู่สบายๆหรือมันอย่างงั้นอ่าเมื่อมาอยู่ที่แรกนะไทยเรามาตั้งเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยไปอิสระไกลกันนะเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยต่างก็ทะเลาะ ก, กันเองรบผุ่นกันเองทะเลาะลออ ก, กันเองในหมู่คนไทยนี่แหละทางนั้นน่ะรบผุ่นกันเองแหละเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยไอค้คำว่าประเภทศยังไม่เกิดคำว่ราราชอาณาจักรที่แท้จริงยังไม่เกิดมีแต่เป็นบ้านเมูอบ้านเล็กเมือน้บ ก็เป็นธรรมดาอยู่เองบางบ้านบางเมืองก็ต้องตกเป็นมืองขึ้นเข้าไปเป็นมืองขึ้นของมอนบ้างเป็นเมืองขึ้นของขอมบ้างที่เป็นเอกราชก็มีบ้างอยู่ปนเปปะปนกันไปจนกระทั่งถึงพศหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งปดร้อยี่เป็นพศสําคัญสำหับมีความหมายสำหรับชนชาติไทยทุกเผ่าไม่ว่าไทยลาวหรือว่าไทยฝั่งซ้ายไทยฝั่งขวาหรือว่าไทยใหญ่ไทยอาหมมีความหมายทั้งนั้นราวกับว่าไทยทุกเผ่าได้ทำงานราวกััดหมายกัน คือก่อตั้งประเทศชาติขึ้นเป็นเอากาติปัตแน่นอนอาผู้นำของไทยนะ่ะผู้นาพวกไทยไทะใหญ่มีพระเจ้าสัวหานฟ้าแต่เสือปาดฟ้าเป็นใหญ่สร้างอาณาจากักรเมืองพงขึ้นเมืองพงนึกโก่งส้างขึ้นสามารถลบกวาดต้อพมพวกขม่าขม่าแต่ พ, าพา่ายแพ้ไปอาประเทศเรามีพระเจ้าฟ้างุ่มฟางุมได้ก่อได้รวบรวมชนชาติไทยเรา ให้เป็นปึกแผ่นตั้งราชอาณาจาักรลาวขึ้ น, นทางลา น, นามีพอขุนเมงรายเป็นหัวหน้าตั้งอาณาจักรเชียงใหม่ขึ้นมาศรีนครนบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ขึ้นทางลุมน้ำจักรพยามีพ่อขุนบางกลางข้าวเป็นใหญ่ได้รวมบรวมชนชาติไทยในภาคลุมน้ำจักพยานี้ตั้งราชอาณาจาักรสุขโขทยัยขึ้นการทํางานของผู้นําไทยแต่ละภาคนี่ลาวก็จะมัดแน่กัน แล้วก็เลยร่วมกันทําเป็นตึกแผ่นพอขุนเมงรายได้ขับไล่ที่คุนพวกมอในลุกเหมือนน้ำปิ่งให้สิ้นไปจากดินแดนลุกมหมือนน้ำปิ่งแล้วก็ตั้งเมืองใหม่คือเมืองเชียงใหม่ขึ้นตั้งว่าชวงเมงรายขึ้นมาอทงางลูกมนน้ำจักยาพอขุนบางกลางข่าวได้ตั้งราชอาณาจักรสุขโขทยัยวงพระรขึ้นมาเนี่ยทางประเทศลาวพระเจ้าฟ้าอุ่มตั้งราชวงศ์ลาวเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมา น, นี่เป็นเรื่องล่าซึ่งในศตวรรษที่สิบแดบรรดาผู้นำไทยเผ่าต่างๆได้ร่วมงานกันทําสร้างชาติขึ้นมาเป็นผลสําเร็จเพราะฉะนั้นเราจรึงจะกล่าวเรื่องประวัติพุทธศาสนาจับความเอาตั้งแต่สมัยเชียงใหม่กับสมัยสุขโขทัยเป็นประทัด ฐ, ฐานตอนนี้เราพักไว้ก่อนมาย้อนมุกเทศพามา่าพม่านั้นได้ ก, กล่าวมาแล้วว่าชนชาติมร น, นักถือพุทธศาสนาเถราวาทมานมนานจนกระทั่งมีชนชาติเชื่อพิเบตพวกหนึ่ง อพยพมาจากภาคเหนือเป็นต้นตระกูลหลวงพม่ามาตร้างอาณาจักรผู้ตามขึ้นพวกที่พวกเชื้อชาติพมา่าที่มาสร้างอาณาจักรผู้ตามเนี่ยหลพม่าหัเนี่ยนับถือพุทธศาสนามาหายานมาก่อนเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นนับถือนิกายเทรวาตในคดนินพระเจ้าอนุรุตหรือเรียกกันอีกนามหนึ่งว่าอนุรธามังช่อกษัตริย์แห่งอาณาจักรผู้ตามพระเจ้าอนุรธามังช่อได้ยกกองทัพมาตีมูลสุธรรมดีของมอญแตกแล้วก็แตนิมุล คณะสงฆ์จากประเทศมอญพระไตรปิฎกมอญวัฒนธรรมมอญตัวอักษรมอญไปปรับปรุงเป็นอักษรพม่าเป็นศาสนาของพม่าบ่างคณะสงฆ์ของพม่าเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์พม่าน่ะมีพระพุทมวงศ์เป็นพระมอญพรอนคณะสงฆ์ไทยเรานี่อุปชัยยะเป็นมอญเหมือนกันนะคณะสงฆ์เรานี่ทุกวันนี้แหละพระกระสือต้นตระกูลนัเป็นมอญเหมือนกันท่านมอญมาพื้นในรัชาลมาก่อนเรารุ่นั้นมาก่อนเมื่อไทยเราพยพมาลุมนั้นแต่พยามาเจอแต่มอญนั่นแหละพระมอญนั้นแหละ เราเอาพระมอรรคเป็นอุปชาตัวมึงเราน่จะจะว่าไปแล้วเหมือนกับพม่าเอาพระมอรคเป็นอุปชามกันแล้วต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เขาจะอนุรุตเขียนว่าพระเจ้าอัญลองกษิตรู้พระเจ้าก็ะยำศกษาอ่ากษัตริย์กษัตริยเหล่านีอ่าพระเจ้าก็ยอชวากษัตริย์เหล่านี้ได้ส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติในภาษาสไนจิญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่ามีพระเถระของพม่าเดินทางไปลังกาประชมิติอุปสมบท ในนาทีสีมาคือถูกแพนโบดได้โบดโบดน้ำโบดโบดในในในบดที่พระสีมาลั่นเกียรตเองก่อนนิมิตลูกลูกนิมิตตัวลูกเล็กลูกใหญ่ทําให้ถูกพินายกรรมเพราะนั้นตัดปัญหาผูกเป็นแพรลอยไปในกลางแม่น้ำกระยาณีโบทตรงกางน้าหมดเรื่องตั้งสำนักบูดในกลางน้ำแม่น้ำกระยาณีแล้วก็พาเอาลัทธิอุปสมบทจมูกเนี่ยมาเผยแผ่ในเมืองพม่ามาเผยแผ่ในเมืองพม่าตั้งเป็นนิกายอารมณวงศ์ขึ้นอริมัชนะดีว่าอริมัชนะวง์ อดีตวัฒนาในมิชิกลกุ้งอังวะในสมัยต่อมาหรือเรื่องกันอีกอย่างหนึ่งว่าอมารมมวง์ในกายมารมมาวงคือในกายของ พ, อพระพม่าสืบมาจากพวกกัญาณีสีมาอันบวชในบวชหน้าในประเทศลังกาแล้วก็มีการมีมน์พระเถหละชาวลังกามามาบวกาชกับพระพม่ากับพระมนด้วยอสําหรับในประเทศไทยนั้นอันสมัยอาณาจักสุขโขทยัยเราเริ่มมาถือวัฒนธรรมแบบลังกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาที่เรียกกันว่านิกายลังกาวงเราเริ่มรับพระคิดลังกาวงมาในแผ่นดิน พ, าาพระเจ้าปกรณ์กำแหงมหาราชปกรา์กำแหงนี่ยเป็นกษัตริย์มหาราชไทยองค์แรกที่มีฐานะอย่างแท้จริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่กษัตริย์ในเทพนิยายเพราะว่าเรามีศีดาจารึกเป็นหลักฐานของพระองค์อยู่พระองค์ได้แผ่อนุภาพไปกว้างขวางมากคือว่าทางตะวันตกตีได้ถวายมาริตนาสีได้มงมอนในเมืองึ้นเมือนะผมสมบัตดีเป็นเมืองขึ้นไทยนะข้างนั้นอะ่ะในเมืองมอนด้วย แล้วก็กระตัดวงมัคกะทูเนี่ยเป็นลูกเขมรกุลัลกำแพงนี่เองแหละมักทูซึ่งมาเป็นคุณมอรมาค้าขายเมืองไทยในลูกสาม ก, ก, ก, ก, ก, ก, กุลักำแหงไปอ่ะกุลักำแหงอภิเษกออกไปให้ไปกินมุกชมดีไปตั้งทีมมือหมอสมัคกครองพวกมอนยอมเนเมืองขึ้นเมืองไทยแล้วไปบกว่าแผ่นดิอนอาาเขตไทยน่ะจดทหาถสมุอินเดียละไม่รู้ละจดอาเบงกอนเลยอ้าทางภาคใต้แหลมมลายูขึ้นกันเมืองไทยหมดประเทศมลายูเดี๋ยวนี้ไปปุริเกดากรันตังตรังกานูโยโคปาริส ขึ้นไปไทยหมดน่ะแล้วก็ทางตะวันตกเราอยู่อนณาเขของเราถึงปะจินตุรีไม่ได้เลยเลยกว่านั้นไปเลยกว่านั้นเป็นอาณาเขตของผู้ก่เหมืองเขาส่วนทางไทยสารตลอดทั้งภาคเป็นของไทยสมาชิกเขตสุโขทัยหมดจดแค่แม่น้ำโขงมึงเวียงจันก็เป็นอยู่ในเขตของผองงกำแพงมึงเวียงจันเวลาเนี้ยอยู่ในเขตเขียงเชียงคงเชียงทองอยู่ในเขตผองรังกำแพงหมดมึงเชียงคงเชียงทองมันชื่อเดิมมองพระบางนอะ มึง บ, บางดยม่หรอกรูว่า บ, บางหรอกเรียกว่าเมืองเชียงคงเชียงทองและภายหลังอเมืองเชียงคงเชียงทองไม่ร บ, บางมึงเห็ที่หลวงพระ บ, บางนะ่ะเพราะเอาสะบางมาปาาลิตสถานยินเชื่อหลวงพระบางก่อนหน้านี้เมืองพระ บ, บางยังไม่มานะเรียกว่าเชียงคงเชียงทองเนี่เมืองนี้ก็เป็นเมืองอยู่ในเขตของพวกขุนนางกระแหงแต่ว่าทางข้าพายัดนั้นนะ่ะพวกขุนนางกระแหงมันเลยลุ ก, กลายไปเพราะว่าเป็นไมตรีกับพระขุนเมงลายเป็นศิษย์ูกอาจารย์กันและทางอาณาจักรพยาว่ะพยาเนี่ยอพยาเหลี่นี่แหละยังมีพ่อขุนพ่อขุนองหนึ่ง เป็นกษัตริย์เอกราชเป็นเพื่อนร่วมสาบานกับพ่อคุณรามคำแหงก่อขุณเหน่งลายสามองค์นี่เป็นลูกศิษย์กรรมนักอาจารย์เดียวกันถ้าะะนั้นไม่ทำลายกันปฏิญาณตัวเป็นเพื่อนตายกันคุณยังไงสามองค์นี่พ่อคุณรามคำแหงเพราะเหตุที่แผ่อาณาเขตขยายลงไปถึงปักใต้นี่แหละพี่เมืองนครศรีธรรมราชเมืองนี้แต่ก่อนมาเป็นประเทศเอกราชชื่อว่าเมืองตามพริลิงตามพระริลิงคนพื้นเมืองคู่สามอลาอยู่นะแล้วคนไทยก็มาอยู่ทีหลังเมืองตามพริลิงนี่น่ะ มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระเจ้าจันทรพนุเป็นมาลายูไปรับรัฐีหลังกาวงมาจากหลังกาเวลานั้นมีพระหลังหุหน่าพระเถหลลังกาองค์หนึ่งเดินทางมาตั้งรัฐีหลังกาองค์ที่เมือง น, นคนรสิทธมราชพระเถระองค์นี้มีนามว่าพระราหุลเทระพระราหุลเดินทางมาตั้งแล้วก็ตั้งรัฐีหลังกาองค์ขึ้นประมาณราวสักร้อยปีราณาเขตขไทยก็แผ่เข้าไปจดตรครองสิธรมราชตีนอคอนรสิทธมราชได้แล้วก็เทครัวไทยลงไปอยู่ พอพลางกำแหงพอตีเมืองนครได้แล้วเอ๊เห็นว่าตัปฏิบัติถ้าสูงเมืองนคร น, นี่เขร่งคัดมาเขร่งคัดในวินัยก็เลื่อมใสดีกว่าพระในเมืองเราแฮะพระในเมืองเราคือว่าปนเปนกันมากนักหลายและที่หลายนิกายไอที่จะเขร่งคัดมันอย่างเทลวัฒบริสุทธิ์อย่างลังกานี่ก็ไม่มีก็เล ย, เรยทรงเลื่อมใสทรงพูดไปนิมนต์พระเถระอุปชาอาจารย์จากลังกาให้มาบวชกุลบุตรในเมืองสุขโขทยัยแล้วก็นิมนต์นิมนต์บรรดาพระเทระที่อยู่ในเมืองเขาเสียมาลาเนี่ย ขึ้นไปจำพรรษาที่เมืองสุขโขทยัยนะศิลาจารึกของคุราคำแหงจึงมีบอกว่าในเมืองสุขโขทัยนี้มีปูค่ครูมีเถนมีมหาเถนมีสังฆราชปราบเรียนจบไกลพวกคนลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้แต่ ว, ว่าพระทุกพระที่มาจากเมืองนครนะมีภูมิรูก้เก่งกว่าพระเดิมในเมืองสุขโขทยัยทุกตนลุกมาแต่เมืองนครสิธรรมราชทุนลุกขมาเดินทางมาจากเมืองนครสิธรรมราช นี่เป็นปฐพมบมวงลลังกาวงในประเทศไทยเวลานี้แล้วก็ทำไมถึงลังกาวงเวลานั้นถึงบริสุทธ์นะัเพราะอะไรลังกานะ่ะก็มีสารสนะภัยย่อนหย่อนตึงตึงเกิดเป็นกระยุกเป็นบางคังบังคาซึ่งที่จะมาลูบพลัดใจกวนชําระความประพฤติของพระให้มั่นคงหลักฐานดีในสมัยเาราวตะวันที่17ก่อนหน้าอาณาจาักสุโขทัยจะเกิดประมาณร้อยกว่าปี นแผ่นดินพระเจ้าพระรักรมพูชชามหาราชซึ่งตั้งเมืองที่เมืองฟุรัินครเรียกนในภาษาลันกาะวะ่าโบรันลวะโบรานลวะนครก็เรียกนะพระเจ้าพระพรักรามพูชชามหาราชดีแหละได้ตั้งนิมนต์พระคณาจารย์คำะาาาาาาาาระ 1, ดีกาแต่งคำพีดีกาอักษฐานแต่งสำรพุทธคุภาษาขสหนึพดีกาแต่งขสพัน0จ็ดร้อย่ายงีกาภาษาบาลีเนี่ยแต่งตจะมีการทําสัขยานาแต่งดีกาขึ้นมีพระมหากักรพรรดิเป็นประธาน สมาชิกสภาหน้าอยู่ในสำนักทูดุลที่แข่งคัดด้วยกอุทุมพรวิหารพวกคณะอุทุมพรเนี่ยสมาชทานดวงวัดแข่งคัดมากและก็พาที่สำนักนี้มาเป็นกรรมาการชั้นละดีกาก็มีทั้งสาลีบุตรแต่งสาลัตถีปณีดีกาวินัยปิดกดีกาสามน์แล้วก็แต่งดีกาอีกหลายเร่อบรรดาประเทวายานต่างๆการชำระศาสนาของพระเจ้าพระกรุฏรษาชมหาราชอง์นี้แหละได้เป็นผลให้สังฆมลพลในลังกาบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยสุปฏิปโนเพราะฉะนั้นกิศักด์อันนี้จึงได้เรื่องลือมาถึง ประเทศทพม่าประเทศไทยขอคุณลางคาแหงไข่ไขต่อไข่ไข่กัตริย์พม่ากยอศวะสงนพระสนเมณไปเรียนกันในลังกาแล้วก็มาตั้งรัชที่วงดีว่าลังกาวงท่านในพม่าเมืองไทยพร้อมร้อมกันมีเจตนาจริยาพระองค์ทรงพระวจนะมีริญาณเพราะว่าคนกษัตริย์มีเจตนาจริยาคนกษัตริย์ที่มีวิญญาณเขามีเจตนาจริยาแม้ำมีแต่สัญชาติยานจริยา เก็บตมัายาละ่าผู้ขามันเหว่หอได้อานการที่ไม่นเหว่หอนี่ไม่ใช่เพราะันเพราะมันมีวิญญาณไม่ใช่แต่เป็นเพราะสัญชาติญาณเป็นธรรมชาติในตัวมันอย่างนั้นอาการที่มันดูดอาหารได้กินอาหารได้แล้คายอาหารได้คายทอดอาหารออกมาได้สืบพันได้ก็เป็นไปตาคำหนาาของสัญชาติญาณกิริยาโดยไร้เหตนากริริยาคือคนประสเพราะนั้นทันชีววิทยาเข้าไปถึงกระตุมานี่มีวิญญาณรู้กันก็ที่กินก็มีเพียงแค่นี้ครับ ข้อสองถามหมอพระเทวทัตนางกินจมานวิกามันขมานกจุตพุพระถูกคันดินถูกนั่นสงสัยว่าสูกของคันดินมีลักษณะอาการอย่างไรมีสองอย่างปัญหานี้ผมก็เคยตอบหลายครั้งแล้วที่นี่ไม่ว่าคําว่าคันดินสูกเนี่ยอย่างหนึ่งไม้กวาดเนี่ยถคัแผ่นดินดูไปจริงๆแผ่นดินที่เป็นเลน่ะแผนดินเลนพิษต็มพิษตามป่าสงศ์อยังมีอยู่เป็นเลนพิษกระเงพิษทานข้างตัวเดียวเพียงที่นาทีเดียวจมล็กทั้งหัวเลยหาตัวไม่เจอ ในอเมริกาก็มีในแอฟริกาก็มีไอเดินแบบนี้วัดใบโลเซาโลกสับโลกวันตีเดินใหญ่กระทั่งทางตั้งสิเข่ายี่ิบเข่าเดินพิษเข้าเบือจุ่มหมดทั้งตัวแล้วก็ไอเลินพิษหนักๆเข่ามันก็หายไปตายเป็นเหีวนึกพวกที่ขุดแร่รีบุกเอทำเหนือว่าเอไปขุดทับปากของเข่าผมรู้ว่าทีเดียเดินเป็นเลนพิษเต้นพิษเพราะนั้นคนเีืองภกระโึ่งเบือเนี่ยหมายความ่าใบย่าของไอเดนพิเตมพิข่า ถ้าเถกดูป่าเพราะว่าขัินการน่ะออกจากเมืองกระด็งป like oh, ่าไม่มีความเะเลไม่มีถนเส้นทางลากคอนกีดอย่างนดียวนี่นะเออออกจากเมืองก็สูงมากเป็นป่าแล้วออกไปแค่ติดเพ้นยี่สเ้นก็เป็นป่าแล้วเพราะนั้นคนที่มาทำงานที่เมือเดินดีไม่ดีอาจจะจะพัดระห่นเป็นพิษกระดหนึ่แล้วแผ่นินูดนการหนึ่งอีกการหนึ่งเขาว่าผ่นดินดีเป็นอีเดียมคือเป็นสนกล่าวถึงคนที่ถูกประชาชนเขาลงโทษไม่คบข้าสมาคมสังคมเลงโท คบเข้าหน้าใครไม่ได้ด้วยกับแผนดินสุขเนี่ยมีความหมายสออย่างเราแล้ว แ, แต่เราจะมีความเอาวรื่นไหนควรจะเหมาะกับแผนินสุขจริงเรื่องไหนควรจะเหมาะกาับเป็ขนขวนว่าทกประชาชนนี่ยเรแต่เราจะว่าแต่กรณีนี่พระเทวทัพ น, น, น่ะรเปอร์เซ็นแ่ถึงแนิสุขอเพระเทวทัพเพราะแผนดินสุกแค่รูปคางแกก็ถวายตะบูรคางเป็นทุบูชาผมนึผิดว่าข้าพเจ้าอถวายตะบูรคางเนี่ยคือโง่เลยที่บี้านี่ย เป็นพุทธบูชาโดยอานิสงส์ที่กับใจบย์ความจผิดของตัวและเป็นปุถุกุทธก่อนตายนี่แหละแต่ทําให้เทวทัศน์เนี่ยเปอาวีีหนึ่งลับแล้วนขึ้นมาเป็นปเจกัตถะวันไี้เป็นเ ป, นปเจกัิถะคือไม่ไล่แล้วก็สันฐานเอาตาม ท, าที่ควราหากมีสาธิกบางคนถามว่าก่อนในพุทธศาสนามีกันเนินไปอุปาสิกะทเกิดขึ้น ก็่าเาเขาจะเกิดขึ้นยนีเราจะแก้เขาไดอย่างไรเอคําว่าเกิบโตขึ้นเดี๋ยมันจะเติขึ้นแลมันไม่ถีวนะเติบโตตามนี่ทำทำกรรมุสมกรรมต้องเกิบขึ้นเป็นขัเล็กคปเนอสุรกายขล็ประเทศประเทศไหนล่ะทำาที่สมกรรมจะเป็นโพดาเป็นคอุปาินี่เลยนี่คุณกรรมนรุลากคกรรมนี่แบบเป็นเุขึ้นอา ไอเขาเกิดป mm ุจจิ้ธรรมไม้กันว่าไม่ไม่อาศัยพ่อแม่เกิดไม่เอรอกแต่ต้ออาศัยกรรมเกิดเพราะฉนั้นพระเจ้าของเขาเนี่ะไม่ได้เกิดปุจจิณแล้วไม่ว่าโดยไม่มีพ่อแม่หอมันถวะแต่ว่าเกิดจากกรรมอะไรล่ะพระเจ้าทากรรมอะไรมาเพี่อเป็นพระเจ้าถามเขาหีึ่งว่าพระเจ้ามาเป็นเพ่มาไม้จากกรรมเป็นเหตมาก่อนสิถ้าพระเจ้าทำมาอนกรรมทำมาพระเจ้าก็เอาถึงมาสิเป็นดักมาสิถ้าพระเจ้าทาที่โทตกรรม ต้องคุณคุณสงสั ย, สาย ก, าาการมาลจรุบาให้การมาลุบาประจำอยากจะท้าวว่าทํามากช่นเ่เทศไหนถามก็ดูมดดดดไม่เคยถือเุถือมีถืออยู่เยอะไม่นี่เพราแม่ทั้งนั้นมาคำนั้นเราเพราไมันเพราเาไม่ไม่ถึงเป็นชาลพเชะไม่โอปปาริากาไม่เป็นเหนือตื่นตอนคันดินเราเป็นไทยส น, นั้นแล้วเมื่อมาตั้งกรุงเทพทาไมกรงเทพอีอกอย่างหนึง่งประเทศสยามเราแลวบัดนี้กลับเรือ่องไทยอีกเพราะเหตุใดคำว่าสยามมันจะคงไทยจะของไทยเรียไม่ใช่ เป็นคำที่ชาวอินเดียเรียกเยี่ยวกเรา่เรียกมา ก, ก่อนที่คนไทยจะมาอ ย, ยู่เขาด็กซ้ำคำนม้หวานนะเข้าใจมาจากคำว่าอา่าทุยามะหรือคำที่แปลว่าสามะที่แปลว่าทองนั่นเองค้ามีนทองก็ง่ายเป็นมงคลนามที่ชาวอินเดียเขาเรียกคำนี้เขาจเขาจมาจากคาว่าสามะแล้วมาเป็นการทสยาม